ตามสบายอยู่ตามสบายฟังเสียงผู้มาก็ไม่ใช่ตัณหาตัณหาฟังธรรมะคือตางหาตัณหาปฏิบัติจาเป็นที่จะต้องศึกษาฟังไปเลยระยะเวลาที่เราฟังก็เว่าเป็นการศึก องมมค์สมาธิที่ตาที่เจริญนายจิตใจขอ ง, อองตัวเองไปในตัวเราทำโดยตัวของตัวเองบางครั้งบางหุน ม, มันก็สะดวกสบายบางคางบางหน ม, มันก็ขัดข้องการตั้งเพิดขิตกล่อมจิตเพื่จะให้สงบนั้นบางวันบางเวลามันก็ลำพันบางการบางสมัยมันก็รู้สึกว่า ผลดีอีกเหมือนกันทุกคนจี่เคยสุกฝนเคยอบรมจนต้ น, นมาอย่างทราบในเรื่องเหล่านี้ม่ว่าสมัยปัจจุบันหรือสมัยศึกษาการการทำธรรมถือททว่าเป็นเรื่องจำเป็นของนักบำเพ็ญภาวะนานี่ถือเป็นของเล็กของเล็กน้อย คือเป็นศิษให่ในการระดับรล่าฟังจะปลุกแสดงสมัยผู้จการก็มีผู้เจ้าเหลือรียาสาวสแสดงสื่อกันฟังท่านที่แสดงนั้นไม่มีอะไรจะสงสไม่อัจทำภายในใจของท่านมาสแสดงสื่อที่สงสัยลังเลศิษใหม่ระดับรับาฟัง แต่สมัยปัจจบันทุกวันนี้ในเจนอย่างนั้นเหมือนกันกับคนตาบอดจีงคนตาบอดตาไหวจะไปตกเหงื่อตบอดที่ไหนถ้าคูอแสดงกรมีธรรมะภายในใจจํามาจากสําหรับตำราหรือคิดเดาเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คูอฟังกัขาดหมายไปตามคูอแสดง หรือบางท่านบางคนที่เคยฝึกสนปฏิบัติมาทราบดีของเรื่องการปฏิบัติด้านสมาธิด้านปัญญาของใจถูกจะแดงจะแดงออกไปในสวิสข้าทางให้ <c oughs> เขากป็หัวส่ยนเ่ษ น, นี้ก็มาแสดงให้คนอื่นเขาฟั ง, งเป็นไปแบบนี้นี่เยอะยะ เพราสมัยนี้โดยส่วนใหญ่พระเจ้าพระสงฆ์ดิ้นใจต้องพึ่งปฏิบัติเพื่อความหมดขึ้นจากอาสะวะกิเลสนั้นมันมีจํานวนน้อยแต่การบวชมีจํานวนมากแต่การปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนกิเลสปัญหานั้นมีจํานวนน้อยที่สุดไม่ต้องพึ่ถึงคนอื่น สวดทุงตัวของตัวเองระยะเวลาศึกษาใหม่ๆบวชใหม่ๆจิต ใ, ใ, ใจที่จะอยู่ในเรื่องของธรรมะมีน้อยแต่คิดตึงไปเรื่องนอกเรื่องโลกรู้รสึกว่ามากเมื่อจำนวนของโลกของกิเลสมันมากธรรมะมันก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ ดังนั้นคือแสดงจึงหายาหากจะที่เจนนะตามข อ, อดขอดทำที่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นของหายาจิตฉังสั่ธรรมะตะวันนังการฟังธรรมฟังได้ยากข้อนี้เป็นจารไมาเป็นคือแสดงนั้นท่านรู้แจ้งแทงตลอดในอดในธรรมจริงจังมาแสดงสื่อเกี่วกเรา ผูวเงาเงาเต่าตึงินี้กิเลสตันหามานะพิชิฟังคนที่รู้ท่เข้าใจอาจทำแท็กเกินอย่างนั้นมันหายากในใจะมีอยู่ทุกวัดทุกว่าทุกตำบลอำเภอในจังหวัดไปหายากยิ่งกว่าแก้วแหวนเพชรทลอยซอีเพราะสิงเหล่านั้นถึงจนต้องมีค่าทางโลกเขา มิโยงตรงสอบกันหาคนมีเงินมีทองไปซื้อเอาที่ไหนมันก็พอได้แต่ธรรมะนี่มีอยู่ในจิตในใจของบุคคลที่สิ้นไปจากอาสวะกีเลนั้นเราจะมีเงนินยู่ทันล้านที่แสนล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อธรรมะนั้นมาสื่อใจของเราได้ มันจือตัวฟังยากมีหมายเพืพูดแสดงหายากแล้วเพื่ฟังก็ห า, ายากอีกเหมือนกันโดยส่วนใด่ฟังเพื่อสมัยนี้ถือว่าฟังเพื่อเอาบุญถ้าฟังเพื่อเอาบุญถ้าหน่อยเถอะเพียงแค่นั้นจะฟังกันเพื่อเหเตุผลผลแก้ไขที่เหลืในจิตในใจทั้งตน ฟังแล้วนำทมที่ท่านแสดงไปใส่คิดติดตามและลงมือมปฏิบัติรู้เห็นที่เลันหาตกไปหลุดไปจากจิตใจของตัวตามที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านนำมาเล่ามาแสดงนั้นมันหา ย, ยา แต่จังววาจิตสังกัดธรรมสวรรค์การได้ยินได้ฟังธรรมเป็นของยากนี่หมายถึง <c oughs> ธรร ม, มาภายนอกออกจากปากของคนอื่นที่มาแนะนจะให้เราเข้าใจในอจในธรรมถึงความสงบระงับดับขี้เล็ดนั้นมันยากเราฟังมากตนับคือนับอาจารย์ในได้นับปัดนาวาในได้แต่ขี้เล็ด มีอยู่ในใจนั้นก็ไม่มีอะไรดลุนหล่นออกไปยัง็งเส้นรงวาอยู่ตามเดิมแต่ถ้ า, ถ า, ยาขยับเขมาเป็นธรรมมาื้ฐานที่ทางกล่าวเอาไว้จิตสังศัตรธรรมตัวหนังนั้นหมายถึงการฟังธรรมในจิตในใจของตัวเองควรคิดสืบคัดปฏิบัติศาสนา <c oughs> ขาดสติปัญญาก็ไม่ทราว่าธรรมะมันจะเกิดขึ้นได้ดเกิเเีตุผลอะไรคตนมีสติปัญญาอยู่ในจิตในใจเจ้าจิตเข้าไปสัมผัสกับธรรมะตลอดการตลอดเวลาสติรู้ปัญญาสอดส่องตรวจตาพิจารณาดูทุก ขะทุกเวลาที่เรานัง่งเราเดินเราโยนเรานอนนอกจากละจราบดีว่าระยะนี้จิตของเรามันอยู่ในวงของอดแฉ่งธรรมในมีเรื่องอื่นที่จะมายุ่งเกี่ยวจิตใจของเราเราฟังอยู่ตลอดเวลาธรรมะที่เกิดจากขาดจากขันก็ดีเกิดจากสังฐานภายในก็ดี ไม่มีทำประมาทรู้ข้าใจพิจัยระยะพิจัยเวลาตรวจตาพิจัยนายจิตอยู่เรื่อยๆทำปรุงฟ้องใจกปรุงไปเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนยุเหลดปัญหาของตัวนี่หมายถึงทู้จะปฏิบัติเป็นธรรมะภายในจึงได้ที่เป็นภัยอันตรายหรือเป็นศัตรูหรือเป็น เรื่องของกิเลสมันสูงมันสิดสิบเหนืออะไรทันชาบิทุกระยะทุกเวลาดับมันไปไม่ให้มัน่อคกวนจิตใจไม่ให้มันฝังอยู่ภายในของตัวพอกิอเลสเยู่อความชั่วความเสียเมื่อเราปล่อยเอาไว้ ในสถานที่ใดมันก็เน่าก็เหม็นเป็นไฟเผาไหม้ให้จริงอันนั้นเดือดร้อนวุ่นวายไปตามเรื่องของมันแต่นั้นท่านจึงกาจัดพับไล่เรื่องขี้เหลียดภายในใจอยู่มันเสมอเพราะขี้เหลียดไม่ได้เกิดขึ้นมาจากภายนอกแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันที่จะทําจิตใจของพวกเราทั้ง ใหหลงไหลไปฝันไปตามเรื่องภายนอกปฏิบัติใหม่ๆจะต้องลบจะต้องตัดเรื่องภายนอกออไปอยู่เรื่อยๆเพราะเรื่องภายนอกสําคัญใจของเียเราชั่นไม่มีสจิตเสียงฟอหยมหัวไหลไปตามเสียงอารมณ์ูเสียงดินนสดต่างๆนั่นคือเรื่องภายนอก ความจริงคือต่อเพื่อปฏิบัติถ้าถึงอาจทำจริงจังเรื่องภายนอกไม่ได้มายุ่งเกี่ยวมีแต่สังขานความปรุงคิดของจิตเกิดขึ้นชั่วดีผิดถูกอะไรท่าบแล้วก็ํำจัดปัดเป่าอารมณ์สัญญาอันนั้นหรือสังขานอันนั้ น, ห น, น, น, นให้หมดไปเสีใจไม่ได้คุงไม่ได้คิด ในเด็กจิคล่องในสัญญาอารมณ์เหมือนก่อนเพราะถือว่าอันนี้เป็นเสี่ยนหนาม <c oughs> เป็นไทยอนตรายนี่หมายถึงจิตใจผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมะขันถือเรื่องสังขารความปรุงท้องใจเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำจิตทำใจให้ว่าวุ่ม เลือดร้อนขุ่นเคืองต่างๆแต่เมื่อปฏิบัติใหม่ๆในเป็นอย่างนั้นตาเห็นรูปก็ชอบใจบางทีรูปที่ไม่ต้องการในหน้าดูน่าชมก็เบือ่อนายจิตใจเลยไปอยู่เรื่องข้างนอกเพราะเรายังสลอมจิตของเรายังไม่ได้มันแต่สายมันติดข่องกัเรื่องภายนอก คือการปฏิบัติยังอยู่ห่างจากอาจจักธรรมเมื่อมันคล้องภายนอกมันติดภายนอกเราจึงหักห้ามจิตใจเอาไว้ไม่ให้จึงคิดติดคล้องแต่มันก็ได้เป็นการเป็นเวลาบางครั้งบางสาวมันก็จะไหลไปฝว่าจะทราบว่ามันออกไปมันก็เสียเวลาเป็น หลายนาที ห, หลายชั่วโมงกว่าจะรู้วัตถุที่ของเรามันไม่ต่อเนื่องกันปัญญาของเราไม่ทันกับเรื่องของกิเลสแต่เมื่อเราฝึกเลือ่อยผ่าไปใจมันอยู่ภายในเรื่องภายนอกเลยในเดียร์นายอยุดเกี่ยวจริงๆมันคล้องจิตเป็นปัญญาอารมณ์อดีตหรืออนาคตนั้นมันเกิดขึ้น จากภายในทือต้องขึ้นจากใจทั้งตัวจะมีสติทุกระยะทุกเวลาก็ทราบว่าอันนี้เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายเสียเป็นฝ่ายอากุศลธรรมเมื่อทร า, าบจะมีทางที่จะกำจัดขับไล่หรือปัดเต่า อ, ออกไปถ้าไม่ทราบสิ่งเหล่านั้นก็มาดองอยู่ในจิตในใจทั้งตัวเป็นเวลายาวนาน แก่พยายามแก้ไขเพราะสาบดีว่าสิ่งนี้มันถั่วมันเสียการที่เจนาทำจึงเป็นเรื่องทุกคนจิตควรสนใจหักห้ามแก้ไขจิตใจทิ่จิตคล่องไม่ว่าไยที่เราชอบหรือไม่ชอบจะต้องแก้ไขถ้าใจได้ชอบ กอคือใจในปกติใจในชอบก่อคือใจในปกติมีให้ทุกข์ทั้งสองทางชอบมันก็เกิดทุกข์เพราะสิิงีแล้วชอบเราสุดบางสิ่งบางอย่างมันก่อไม่ได้ตามความปรารถนาของตัวเมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็ดเกิดทุกข์เกิดโทษสุดเมื่อได้ตามปรารถนาที่เราชอบเราหวงแหนเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้น โดยส่วนใหญ่ด้วยโดยทั่วไปมันก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ตามความปรารธนาของใจมันก็ปวดทุกข์ปวดไทยแผลเขาเร่าร้อนเราะนั้นท่านจึงสอนให้ที่นี่ทีจ้านะเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงในว่าอะไรทั้งหมดอก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีหรืออารมณ์ก็ดีทั้งเหล่านี้ไม่เที่ยง มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้ามันเกี่ยงตามความปรารถนาของคนโลกอันนี้จะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะอันนมีอะไรเสื่อมเสียไปหรือสลายไปจุดเชิงรุกก็จะแน่นโลกเจ้าไมนมีที่จะพักจะอาศัยเหียงก็เหเนื้อกันมันจะหนกหนัวจนแกวหูวแตก แต่เสียงที่เราชอบเรายินดีนั้นมันมีมากถ้าหากมันยังอยู่คงเส้นค ง, งวาแล้วอุบจาอะไรกันก็ไม่ได้ยินก่เสียงนั้นจะพับผมเหนื่อย็นอย่างนั้นทุกหนทุกอันที่มีมาในโลกอันนี้มันเป็นอ น, นิจจังคือไม่เที่ยงจิตใจของเราสุกเพื่อปฏิบัติฝึกขัดภาวนา ถาไปยึดไปถือไปจิดไปคล้องมันจะเกิดทุกข์ทั้งตายดีสายชั่วจึงเหล่านั้นมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตามปรารถนาของตัวไม่ว่านอกออกไปจากกายหรือภายในกายของเรามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนิจจังอนัตตาของมันแต่ไหนแต่ไรมา แต่ความยึดความถือของใจที่ไหนมีธรรมะในทราบตามความเป็นจริงมันจะเกิดทุกข์เกิดโทษว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ป่าถนาอย่าใจมันเป็นอย่างนั้นแต่มันไปเป็นไปอย่างนี้มันเลยเกิดทุกข์ในจิตในใจนี่คือจิตใจโดยทั่วไปคือยังไม่ถึงธรรมะในเป็นธรรมะเข้าใจอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น คนทั่วไปจึงบ่ทุกกันถ้าหากรรมจิตใจที่มีธรรมะมีแจ้งในธรรมะเขียนธรรมะฉันพูดไปก็พูดไปตามเรื่องของโลกเรื่องสมมติต่อความบริสุทธิ์ความกินทั้งใจนั้นท่านในเด่นไปไปตามเรื่องขาดขันในเด่นไปตามเรื่องสมมติท่านทราบท่านคอยใจในตัวของท่านท่า น, นมีการห ว, วั่นไหว ในมีการดีใจเสียใจเพราะเรื่องเหล่านั้นตั้งอยู่หรือเสื่อมสลายไปเพราะเรื่องเหล่านี้ได้พิจารณามาตามสติตามปัญญาของตัวพอแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกอยู่ในใจรักอย่างนี้เมื่อทราบดีแล้วใจรักมันแสดงขึ้นในกายแท้จึงเมื่อมีการตื่นเช่นในมีการเสียใจใ ก็เข้าใจมูหเห็นตามเป็นจริงท่องมันพวกเราท่านไม่อย่างนั้นมันลมหลงไหลอารมณ์คล้องใจถ้าช่างจิตจิงเหล่านั้นไม่มีอยู่ในที่นีในนน้ ใ, น, น, น, ใ น, น, น, นที่เรานั่งในที่เราภาวนาแต่กระแสของจิตจิตคิดจิงไปยึดถือไม้ไม้ปั่นยอขึ้นมาบางคนนั้นดุดาบาปาว เราอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบมันยังโกดธเขาได้ท่าใช้สติลมทีดเท่าว่าเสียงที่เขาพูดมันดับไปนานแล้วแต่จับเอามาคิดตังมันยังโก ด, ดได้ยังหลงก็ได้อย่างคํามรักความสอบใจกว่าทำนองเดียวกันสู่งที่สติไม่ทันปัญญาไม่แหลมผมคอยตีเจ็ดตัดปัญญา สั้นฐาทข้งตัวมันเลยเกิดความทุกข์เลยเกิดโทษแก่ตัวของตัวว่าจิตในใจงดจิตหุ่นวายจิตตายแสกต่ใครเล่าเพอมายัวยุให้เราไปคิดไปตรงอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเนยสอนให้เราไปื่งเกี่ยว สอนให้เราแกะไขใจของเราหายใจของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวรูดเสียงยเรื่งราวต่างๆมีอยู่ทั่วโลกพระพุทธเจ้าหรืออริยะสาวกท่านก็มีหูมีตามีกา ม, มีใจเหมือนกันกับพวกเราแต่ท่านทาไมยังมีความสุขความสบายภายในของท่านเพราะท่านอุดทันสติของท่านทานันปัญญาของท่านสา ม, มารถแกะไขขับไล่ มีไม้ถึงเสีขาบุคคลคือบุคคลที่ยังศึกษาท่านจะต้องตัางหน้าตั้งตาที่นี้พี่เจนาดูจิตของตัวอยู่ทุกระยะทุกกานให้จิตไปโยคล่องไปยึดถือในสิ่งต่างๆพี่เจนโด้วยปัญญาให้เห็นตามเป็นจริงเกิจิตจะได้ละได้วาง ได้ถอดได้ถอนความยึดถือ น, นั้นนั้นออกไปจากตัวของตัวนี่คือการฝึกจิตอบรมใจเจใสีจแก่ไขความขัดข้องยุ่งเหยิงแต่ที่จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นจะตัดขาดนั้นมันก็แล้วแต่อำนาจบาสนาและแต่สติปัญญาเหมือนกันกันกบต้นไม้ถ้ามันต้น ใหญ่ตุ่นโตโก่งใช้เวลานานมีความเพียพรพยายามตัดอยู่เรื่อยๆในทอดภูละในขาดเมื่อไรเราจะตัดอยู่นี้มุ่งใจจะตัดให้ขาดให้ด้ปลูกภาวนาภูละกิเลสก็ทำนองเดียวกันถึงกิเลสมันใหญ่โตขนาดไหนก็พยายาม ทีนี้ที่ใจนาแจกไขขับไล่ปัญญาลมคล้องใจขับไล่ความยึดมั่นผือมั่นขล้องใจให้หลุดให้ตกออกไปด้วยสติด้วยปัญญาจนเกิดเป็นวิชายมดขึ้นถ้ายังไม่เจ็นไม่เห็นอย่างนั้นผมพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆในยอมสอดถอยในยอมถอดทุระนี่คือฝูงภาวนา ก็จะแก้ไขใจของตัวจุดที่จะมีความเชื่อแน่มั่นคงอย่างนั้นต้องอาศัยการฝึกการอดกมมาเกียวกอนเห็นคว า, ามสงบสุดของจิตในทางสมาธิมาพอสมควรทำอะไรแนวแน่ในสิ่งนั้นถ้าจิตยังไม่มีความมั่นคงไม่มีสมาธิ อยากได้อยากเห็นอยากเต้นอยากรู้กาหนดอะไรมันก็ไม่เคยเอาจริงเอาจังให้กําหนดอันนี้ก็หัวไหลไปถูกอารมณ์อันใหม่เสียกําหนดอันนั้นมันก็หัวไหลไปอีกมันก็เลยไม่ได้เรื่องในราวอะไรกันท่านจึงให้ฝึกเรื่องสมาธิคือความตั้งมั่นทังใจไห้สมบูรณ์เสียก่อน การฝึกจิตฝึกใจนั้นก็เคยแนะนำถ้ำสอนมาพอสมควรในใจในเค ย, ไ, เคยได้ยินได้ฟังทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมาก็พระสมาถานโดยส่วนใหญ่ท่านเมยสอนออกไปจากกายจากใจสอนฝึกกายฝึกใจในทางศีลสมาธิปัญญาทุก่านไป วิธีที่ท่านสอนโดยส่วนใหญ่องใดที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาได้วิชาความรู้จากการปฏิบัติของตัวอย่างไรท่านก็นำสิ่งนั้นแหละมาสอนเราในใจท่านเอามาจากที่อื่นมาอย่างนั้นพูดไปอย่างใหม่มันก็ไม่ถึงใจเพราะท่านเคยที่ษานาอย่างไรท่านก็เอาคําสอนที่ท่านสอนตัวของท่าน ให้มีความสงบเย็นนั้นนั้นมาฝอนเราจะจะเข้าถึงจิตถึงใจเรานั้นหรือไม่นั่นมันเป็นอีกประเภทหนึ่งท่านชอบถนอันนั้นทานอันนั้นว่ามันมีรสชาติของท่านแต่ปาอื่นคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่นั่นมันเป็นอีกคนละเรื่องแล้วลูกแต่ความจริงการจะทำจิตใจนั้น มันไม่เหมือนกันไปทุกคนบางคนก็ไปชอบเอาเอารมณ์อันหนึ่งบางคนก็ไปชอบเอาเอารมณ์อันหนึ่งแต่ก็เพือ่อความสงบของจิตของใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนนั้นบริกรรมอันนั้นคนนั้นกำหนดลมอย่างนั้นมันผิดนั่นไม่เหมือนของเราไม่ได้ถือเอาอย่างนั้น คนใดเขากําหนดอะไรบริกรรมอะไรทําอะไรเพื่อความสงบของใจเขาได้เราถือเอาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเขาหรือตัวของเราเองก็เหมือนกันคัวอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นแต่เรามาฝึกปฏิบัติมันไม่เต็มไปให้แต่เมื่อมันจะเต็มไปเราได้กาหนด อ, อันนี้เราได้พิจารณาอันนี้มันจึงจะสงบให้เราก็ถือเอาส่วนนั้น เพราะธรรมะนั้นมีมากถึงใดที่ทำหยุดทำใจให้สงบ้ะงับเป็นธรรมะท้งนั้นไม่ใช่ว่ามีอยู่ในตำลับตำลาจึงจะเป็นธรรมะนอกตำลับตำราไม่ใช่ธรรมะมันเป็นธรรมะทั้งหมดที่ากาหนดให้ได้รับความสงบได้รับความสุขความเย็นของใจ ฉะนั้นจริงไห้น่าจะสงสัยเราทำอะไรลงไปดยความตั้งใจทำอะไรลงไปเห็นอัศจรรย์เห็ น, นความสุขความสงบนั้นมันถูกทุกอย่างไปถึงในมีในตัรหวัดกลางหรือครูบาอาจารย์ในนี้สอนมันเด็กผลจากการบำเพ็ญท่องจนก็ให้ทำไม่ผิดหยุดจากมนนีความสงบ ด้านสมาธิถึงเราจะพิจารณาอะไรนั่นก่อนตายเป็นสัญญาลมไปไม่สามารถที่จะแกไขละถอนได้ฉะ น, นั้นสมาธิจึง เ, เป็นเรื่องจําเป็นในมรรคแตกตัวนี้สแบบัมสมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายที่มอยู่ในมรรคจําต่ต่อบมเพนให้เป็นสมาธิเสียก่อน สมาธินั้นมันโก้หมายถึงความสงบของใจความวงรวมของใจความแนว่วแน่ของใจถ้ามันไม่สงบลงรวมไม่แน่วแน่ได้ที่เจนาอะไรมันจึงไม่ตัดไม่ขาดถึงพูดได้แต่มันยิตใจมันไม่เป็นไปตามคำพูดของตัว หากมันเป็นไปภายในจิตในใจจริงจังนั้นพูดนิดหน่อยเท่านั้นมันก็มีคุณค่ามีสาระเพราะมันเป็นมันเห็นอย่างนั้นสมัยพุทธกาลทําไมเจยสอนกันหยุดยาวเท่าไรโดยส่วนใหญ่สอนจะมาฐานให้ไปสุกเพียงคำํำสองคำํำนิ ด, นดหน่อยเท่านั้นท่านไปฝึกจนจนจนเจน ของฉันเนื้อนันกับเราจุดไฟจะเผาป่าหรือเผาสวนไม่ต้องไปจุดทุกทิศทุกทางเพื่อมันมีผัวสวนแล้วจุดลงในที่เดียวเท่านั้นมันก็ไหมก็เผากันไปผัวสวนเชื่อมีอยู่ที่ไหนไหมไปหมดถ้ามันเชื่อติดต่อกันมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ทำนองเดียวกันในคุดกันเราพิจารณาอะไร ลงไปเรือ่อยใจเป็นอัดเป็น ร, รมซึ่งที่มันสงสยัยมันขัดข้องในจิตในใจมันจะลามจะไม่ไปหมดคือนำกาหนดที่นิพณาไปเลยเรื่อยเมื่อจิตเข้าไปถึงเรื่องของธรรมมันไม่ปล่อยวางละถอนสนการพิจารณานั้นสำคัญยิ่งกว่าการสงบของใจ พาการสงบห้องใจมันอยู่เอกเทศอยู่สงบเท่านั้นแต่ถอดถอนออกมายุบปัญหาที่เคยมีอยู่มันก็ลบควนอีกแต่การที่เจนานี้เมื่อมันรู้มันเห็นมันถอยใจชัดเจน ม, มันปล่อยมันวางยุบหน้านั้นไม่มีมารบควนจิตใจอีกที่ตัดหักจากสิ่งที่สงใสัยในจิตในใจ นีหมายถึงท่านวิปัสสนามีสมาธิหนุนหลังแต่เมื่อพิจารณาไปบางทีมันก็เลยเถิดเลยแบนเว้นว่าสมาธิไม่เป็นของสำคัญนี่คือเรื่องเลยเถิดจนไม่อยากพักผ่อนพิจนราอะไรก็เถิดเทินดลว่วยไปผนที่สุดเลยเถิดโปรงใสเพราะกาลังสมาธิไม่เพียงพอ